มีคนมานั่งทวัตนาตาขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดทวัตหรอกส่วนหนึ่งเพราะสามเณร น, น้อยเกือบร้อยชีวิตแล้วมั้งรถสามคันพานออกจากวัดไปทุ่งกัมมังกันอีกสองวันก็จะกลับมากันอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ครัวอยู่ตามจุดต่างๆเตรียมบริการ ดูน้ำดูไฟอยู่เบื้องหลังอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะตั้งใจปฏิบัติกันอยู่แก่พลมไม่ได้ออกมาทำวัดหรืยจะมีแนวคิดอื่นๆอีกที่แฝงตัวอยู่ในนี้อีกหลายคนถ้่าเราส่วนหนึ่งก็มาทำกิจวัตรของชุมชนเท่าที่เห็นนี่ละ ไม่เกี่ยวกลุ่มมาหรือว่ากลุ่มไม่มาก็ทําวัดกันอยู่อย่างเงี้ยนะสวดบทซ้ำๆกันอยู่เล่มนี้แหละไมนอกเหนือจากเล่มนี้ไปหรอกหนังสือทําวัดเนี่ยพุะตกูลธรร ม, ร ม, รรมคุณสายกุลสวดไปรู้ไปว่าเออศาสนาพิธีทำวัดเช้าทำวัดเย็นที่เป็นสายกุลที่ถือว่าเป็นพิธีกรรมแล้วก็ทำกันอยู่ทุกวัน บางที่ก็เป็นบาลีล้วนๆแต่วันที่นี่บาลีแปลเป็นไทยแล้วก็ทาไม่ยาวนักไม่เกินครึ่งชั่วโมงตอนเย็นสั้นนิดตอนเช้าในครึ่งชั่วโมงเป๊ะส่วนเพย่อได้รู้ได้ทราบความหมายแล้วก็น้อมข้ามาเพุทธิยาปฏิบัติศาสนาพิธีเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา สัตสา น, ส น, ส น, สนเรามานั่งอยู่ที่นี่แล้วมีไว้ทำอะไรก็มีไว้เพื่อเที่ยวฝึกหัดปฏิบัติจิตตภาวนาให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของธรรมชาติเรื่องกายใจรูปธรรมนามธรรมสอนับบุคคลมีไว้ทำอะไรในพระสงฆ์ที่นั่งอยู่แลพี่รู้สองนอกรู้หนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพ่อธรรมชาติเป็นแม่ สงเป็นพี่ครบาจกอุบาสิกาเป็นน้องก็เป็นสาน บ, บุคคลมีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรสิ่งแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลเพื่ออะไรก็เพื่อเรามีการบรรลุธรรมมีการบรรลุธรรมก็เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงอีกนั่นแหละสานสถานวัดป่าสุขโตมีกุฏิศาลาเสนาสนะต่างๆ สปายะนะก็มีไว้เราเกิดความสะดวกนะเพื่ออะไรเพื่อการบรรลุธรรมนี่นันแหละนะแต่ว่าการบรรลุธรรมนะมันคืออะไรนะในพระศาสนาอ้างถึงสภาวะของนิพพานะเราคิดว่ามันจะไกลเกินตัวนะเป็นเรื่องที่จะเข้าไปถึงในชาตินี้นะ สดเอื้อมของเลื่อนลอยเพเผื่อกกลายเปนเรื่องคิดว่าไม่มีอยู่จริงหลอกลวงนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเรามีศรัทธาจริงๆเชื่อทำดีก็ดีทำชั่วเขาชั่วเหนือดีเหนือชั่วก็มีภาวะของปกติจิตมีนะแต่ว่าเราก็จะต้องมีการกระทาลงไปเรื่ากรรมฐานนะมีการฝึกมีการหัดตัวเอง จนมันเข้าล่องเข้าลอยเข้ากระแสการเข้ากระแสเรียกว่ามัดแต่ว่ามันยังอาจจะยังไม่มีผลสูงสุดก็คือหยุดการสแสวงหาแต่ก็หมายถึงว่าเราก็ทุกข์ลดลงปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กๆเรื่องที่เคยใหญ่ๆกลายเป็นเรื่องเล็กๆอารมณ์ที่เคยตกค้างก็กลายเป็นหลุดหหลุดหไป เบาๆ บ, บ, บางๆไปพอจะมีเลี่ยวมีแรงมีแรงใจมีกำลังใจที่จะสู้โลกนะประเิญกับความจริงอย่างอดอาหารก็อาหารต่อไปเนะพราะชีวิตเรามีภัยจริงๆโนะดวยวพราะภัยวัฏฏ์สงสารสังสารวัตรนี่มันยาวไกลนอกจากโลคาภัยมีสาธารณโรงพยาบาลจราปรภัยมีตำรวจ อุบัติภัยวัรเทาสารภัยต่างๆ้งงอมูุตุนิยมวิทยาก็ช่วยทำนายไทยทักช่วยที่จะบอกให้เราได้ระมัดระวังภัยว่าต่างสาเนีเจ้าชีไว้ให้เราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเห็นทุกข์อันประเสริฐ เราเห็นทุกมันประเสริฐการแก่การเจ็บการตายทุกกายทุกใจปัญนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเรารู้ก็คือทุกเราจะได้รู้ว่าเออตาเหตุแห่งทุกเกืออะไรพอมันแก้ได้หลุดพ้นก็เรียกว่าเกิดผลขึ้นมามีมรรคมีผลรู้ว่าทุกรู้เหตุแห่งทุกเกืออะไรก้าวล่วงได้เรียกว่าหลุดเป็นเปราะเป็นเปราะ เนี่ยเราต้องมีการกระทํำกรรมาฐานจึงเป็นการกระทํำเหนือดีเหนือชั่วมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวเป็ น, นมีปผนของการปฏิบัติก็แน่นอนนะในหลักของการดําเนินชีวิตเลยทางชีวิตกําไลสุง่ายทุกยากนะ แล้ความสึกตัวหรือสติปัญญาเป็นอริยทรัพัยในศรัทธาความเชื่อทานศีลภาวนาพวกนี้เป็นอริยรัพัยในที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงมีไว้ใช้เพื่อการดำเนินชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะทำไมเราเกิดความไม่ประมาทลงทีมก็พาลาดพลั้งไป เพราะเสพจึงติดปพราะติดจึงอยากก็อยากจึงเสพเป็นมัตาจริงๆริเบียนไว้ตายเกิดอยู่ตรงนั้นแหละพบแชดก็อยู่ตรงนั้นแหละมัดโถกาบกุณตาหูจมูก<ๆ>ลิ้นกายใจใหม่ๆเราเน้นว่าเรียนมาจะมีความสุขเราเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนจบมามีงาน ท, ทําคิดจะมีความสุขแล้วทํางานทํางานทํางานทํางานกลายเป็นคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า ต่อมาก็คือลักษณะของคิดว่าทำงานมีเงินแล้วจะมีความสุขหลายคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นทำงานมาทั้งชีวิตท้ายสุดไม่พอรักษาตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลจะมา็นคนเสียดายว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยหมทำงานจนลืมพักผ่อน ท้ายสุดก็คือเสียดยไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติธรรมบางทีก็ร้องขอเห็นพระหน่อยเรียกพระมาะหน่อยจะทําทานทําสังฆทานที่โรงพยาบาลนี่ก็เจอมาเยอะแล้วกินนิมนต์บบนี้นก็ตอนดีๆเดินมาวัดได้ไม่มาท้ายสุดตัวหามเข้าวัดตอนดีๆพระไปบอกก็ไม่พูดไม่ถาม แต่พอป่วยฟังไม่รู้เรื่องก็พระไปก็ช่วยได้ก็ น, นิดๆ ห, หน่อยๆตอนนี้เราช่วยตัวเองหน่อยช่วยมารับรู้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจใส่ใ จ, ใจไปหรอเอาเป็นว่าเหตุทำให้ถูกก่อนเพราะที่นี่เราฝึกกัน ให้ปฏิบัติเป็นอันดับต้นๆเลยนะวิธีปฏิบัตินี้เป็นหนึ่งในห้าวิธีที่สามารถเผยแผ่ด้ท่วโลกทนะางมหาเถราะสมาคมก็ยอมรับเราก็กำหนดไว้นะจะสอนที่ไหนก็ ไ, ได้ว่าอะไรนะการเคลื่อนมือพลิกมือนะการหยุดการไหวเคลืนะ่อนไหวรู้สึกมีสติระลึกรู้ความรู้สึกตัว มีอยู่สิบสี่ช่วงวัยถ้ารวมทั้งเริ่มต้นก็หยุดนะก็ไปสิบหถ้านับเริ่มต้นก็หยุดเนหะมือนๆกันอีเหบอเดิมแต่ถ้าไม่นับสักอียหบอดหนึ่งก็คือเริ่มต้นแต่ตอนจบไม่ต้องไปนับสนะิบสี่ช่วงวัย แต่แล้วจังหวะให้รู้สึกตัวเพระส่วนใหญ่จิตของเรามันไม่รู้สึกตัวหรอกมันชอบลืมเนื้อลืมตัวก็เลยเผลอหลงใจลอยคนเรียนบางทีใจลอยออกนอกของเรียนออกนอกต่างๆไปอยู่แค่แสงสีกลิ่นเสียงต่างๆสิ่งที่ชอบก็เลยไม่รู้ ว, วิชาเรียนข้างหน้านเรียนอะไร กอนเนี้ยมีนักเรียนนักศึกษามาจำนวนหนึ่งบางทีทำงานก็ใจลอยเหมือนกันพยาบาลหมอเอาเรื่องที่บ้านไปคิดที่ทำงานบุคลากรต่างๆคิดคิดคิดคิดคิ ด, ค ด, คดจนบางทีนะปวดหัวกาแฟก็เาไ่อยู่บางทีก็กินกาแฟจใจตื่นตัว มันจึงต้องปลุกตัวเองขณะที่ตื่นจากที่นอนบางคนยังหลับไหลอยู่ตื่นจากที่นอนแต่บางทีก็ยังละเมออยู่ต้องให้ลืมตาเนะเป็นไหมบางทีไม่อยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าขับรถใจลอยใจไปถึงแล้วแต่ตัวยังไปไม่ถึงอนะไรอย่างเงี้ยอันตรายยนะไม่ต้องไปหาหมอดู ไม่ต้องให้ใครผูกชะตาราศีไม่ต้องให้ใครสะดอกเก้อหรอก้าลองไปรื้อสึบสึกตัวเนี่ยถือว่าสวยละขนาดนั้นนะชีวิตไม่นดงามสวยงามแล้วสวยนะเพราะอะไรมันขยสติอยู่มีสติมันจะเห็นตัวเองอยู่นั่งอยู่ก็รู้อยู่ขนาดนี้ละใจไม่แว็บใจมันไม่หนะวั่นไหวนะหรือว่าพรุดออกไปนะมันยังมีตัวเราอยู่ เกินไหวขยับอันนี้มันหยาบสุดยิ่งเราเจตนาเคลื่อนมันจะหยาบจริงๆการเดินจงกรมเดินไปเดินกลับนี่โอ้หยาบจริงๆเป็นรูปแบบการฝึกหัดปฏิบัติจิตให้จิตมันกลับมากลับมากลับมารู้นเนื้อรู้ตัวเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติก็แปลว่ากลับมาปฏิบัติงานก็อยู่ในกรอบของงานก็มาหากรอบของงานปฏิบัติทํามเออมาในกรอบของธรรมชาติธรรมดาธรรมดานะ ส่วนใหญ่เราชอบคิดแบบ ล, ลุ่มลึกแบบลึกซึ้งหรอว่าฉลาดเฉลียวมันกลายเป็นโง่ลึกนะเดี๋ววีวิชาการทั้งโลกต่างๆมากมายทําไม่ลืมเนื้อลืมตัวโง่ลึกมันก็มีบัณฑิตคนหนึ่งนะขนงเขาเรือแต่็จแล้วเราแบบอวดตัวผมจบศนะาสตร์นั่งศาสตร์นี้ศาสตร์โ น, นนะ้นเป็นด็อกเตอรนะ์มีหลายใบ ปริญญาบัตรขด้นั่งเรือไปคนแจวเรือคนแจวเรือเอาฟังเจ้ยนะไต่สดลมแรงพนะายุฟ้าร้องขนองนะเจ้าหนุ่มก็ตกอกต ก, ตกใจเกิดอะไรขึ้นทะเลปนป่วนนะคนแจวเรือจ้างนะก็หันไปถามพ่อหนุ่ม ท่านรู้อะไรไม่ต้องเยอะเนี่ยถามนิดนึงตอนนี้ว่ายน้ำเป็นไหมโอ้ไม่เป็นไม่เป็นเอาแต่ก็เตรียมตัวตายได้นะเราว่ายน้ำเป็นเพราะนั้นถึงเวลาแล้วตัวใครตัวมันเด้อแบบนี้จมน้ำตายหรือว่าแบบอีกาอีกาเห็นช้างตายกม้มดไปทางลุทวานแล้วก็กินไส้กินของเน่า กินจนกระทั่ง อ, อร่อยๆมากหมกมุ่นน้ําก็พัดพาซากช้างลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปกลางทะเลกลางมหาสมุทรนุ่นตายสุดซากน้าจะจมน้ําน้าเริ่มไหลเข้าไปในท้องช้างเอกาเริ่มร่ว ม, ม, มีไผ่บินออกมาโอ้มันตรงไหนกันเนี่ย เว้งกว้างเวรวางมารู้สึกตัวดีวก็สายเกินไปมนุษย์ก็ไปอย่างเง้นะเหมือนมินแมงเม้าบินเข้ากองไฟคือวัตถุ ก, กรามาคุณรูปแสงสีกินเสียงต่างๆลืมเนื้อลืมตัวตาก อ, อกไปทางรูปสุกสนทายสุข หมดเงินหมดทองหาเงินเท่าไหร่ไม่พอใช้หูก็ไปทางเสียงสเสพยบก็ไปทางหูแล้วก็ต้สุดไม่เห็นจตากรรมของตนประมาทันการฝึกกรรมฐานก็คือให้กลับมาให้กลับมาหาตัวเองปฏิบัติธรรมหาธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเดิม จิตเดิมแท้ที่ประพัดสองผ่อใสเป็นปกติมันมีอยู่อันนี้เป็นผลจากการทํากรรมฐานถูกต้องและต่อเนื่องวางกายเป็นวางใจเป็นอันนี้เราจะเป็นบทเรียนของเราผู้ใหม่ต้องฝึกต้องหัดจะนั่งเกิดสมดุลชีวิตไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่วันไหวห น, นักแน่ น, นไม่โลเล ไม่คุมดีคุมร้ายเนะ น, นี่ยเราจะต้องฝึกนะจนกระทั้งได้สัมผัสปกติมนุษย์เนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์นยะแต่ว่าสุขยิงวิ่งไล่มันยิงวิ่งหนีเนะีมันวิ่งไล่จับเงาตัวเองเท่าไรก็จับไม่ได้นะทุกขนะ์ยิ่งวิ่งหนีเลยยิงวิ่งไล่ห น, ะนีไม่พมีกายก็ทุกข์เพราะกายนะมีงานก็ทุกข์เพราะงานมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านมีรถก็ทุกข์เพราะรถ มีลูกกับทุกข์กับลูกมีพ่อมีแม่ทุกข์กับพ่อ่อแม่มีเพื่อนกับทุกข์กับเพื่อนมีตัวเองกับทุกข์ะตัวเองมีตาทุกข์กตามีหูทุกข์กหูมีสิ่งไหนกับทุกข์สิ่งนั้นมีกายทุกข์กายมีใจทุกข์ใจเนี่ยคือปุถุชนนะผู้ที่มืดบอดไม่เคยรับรู้ถึงว่าแสงสว่างมันมีหรือว่าแสงสว่างเห็นปัญญา ที่มันจะเกิดการทะุทะลวงเห็นปัญหานะแล้วก็ผ่านตลอดนะมันมีจริงๆริโนะดยเฉพาะที่นี่วัดป่าสุกตอหลวงพุเเทเดียนพนะรมาจารย์ทางด้านการจุลศิษย์ประธานอีสานตอนบนจังหวัดเลยมีลูกศิษย์ลูกหาศิษย์เอกคือหลวงพ่อมเขียนสนะุวรรโน่นะซึ่งท่านไปที่ไหนหเทศเนี่ยคนก็ต้องให้ท่านนะขึ้นก่อนนอกนั้นล้วนเป็นลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังเท่านั้น เราถือว่าในยุคนี้เปนที่ยอมแล้วก็อยู่ที่นี่แต่ว่าตอนเช้านั่นแหละคงจะได้เจอได้เจอกันแต่ได้ชี้นาถือว่าทุกๆคนเนี่ยมันจะทุกขเพราะความคิดคิดล้กลุ่มคิดละกรธคิดล้กังวลคิดอะไชาลิชยาคิดละขี้เงาคิดล้ขี้เบื่อคิดล้ขี้น้อยใจคิดล้สารพัดนั่นแหะเห็นผิดเป็นชอบต่างๆเกิดจากจิตที่มันคิด แล้วเราชอบหลงเผลอก็ไปปรงร่วมด้วยช่วยกันนะวิธีการนี้เราจะไม่ห้ามความคิดให้ความคิดแสดงออกมาเต็มที่เลยไม่มีการบริกรรมนะ 1,2,3,4 ไม่มีซ้ายขวาขนาดเดินก็ไม่มียกย่างเหยียบหนาอะไรก็ไม่มีคำบน่นมีสัมมาหลังไม่มีทั้งหมดนะมีแต่สัมผัสรู้สึกออกมาจากฐานจิตก่อนเบื้องตน้นวิธีคิดทั้งหมดยกไว้ก่อน แล้วก็มารู้สึกตัวจนเกิดความเป็นธรรมเกิดความเป็นกลางขึ้นมาเห็นธรรมชาติของกายเห็นอาการของกายเป็นรูปธรรมพอมันะมเห็นแล้วนี่มันจะแตกฉานไปอีกมากมายแล้วกันเบื้อ<ม>งต้นเอาตรงนี้ก่อนฝ<ม>ึกแบบผู้ใหม่อย่าเพิ่งไปใส่ใจรายละเอียดต่างๆทําแล้วจะได้อะไรทำแล้วมันจะถูกหรือผิด พระเจ้าทำอย่างนี้หรอหรือว่าที่นี่ไม่เคยเห็นมีใครก็ทำกันเลยมันจะเสียเวลาเราบางคนก็จะมาแค่1วัน2วัน3าวัน4ี่วันบางคนก็มา7วันะมันจะเสียเวลาทำไปก่อนแต่รู้แต่รู้แต่รู้เนี่ยสัมผัสสัมผัสนะจิมจะเดินทางจริงจริงเดราะมันออกจากความคิดแน่นอนเพราะว่าการสัมผัสไม่ได้คิดรู้นะมันเป็นการสัมผัสรู้อย่างนี้เป็นต้น นะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเวลาพยายามหามุมสงบของใครของเราเมื่อปล่อยแล้วนะตัวใครตัวเราเราก็พยายามใส่ใจกับการปฏิบัติเต็มที่เลยวินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งดูทีมจะเป็นยังไงบานะงทีมก็เผลอบางทีก็เพ่งนะอันนี้เม่เรื่องธรรมดามากสำหรับผู้ใหม่บานะงทีมันก็เก็บกดลงไปจมลงไป พอเคยเป็นคนจริงทําอะไรก็ทําจริงอย่างนี้นะทุ่มเทหมดเนื้อหมดตัววิธีการนี้จะให้เรารู้รอบๆบนะ ร, รู้รอบๆอบรู้รอบของสังขารรู้รอบกายรู้รอบสา ร, ร, ร, ร, รพันกายอย่างนี้รู้ตัวตั ว, ตวพร้อมเปิดใจตั้นมันเห็นกายตามความเป็นจริงรับรองได้เลยความคิดจะถูกสอดแทรกนะ เพราะว่าความคิดมีตัวตนล้คิดแล้วคิดอีกคิดเก่งคนไม่ฝึกสติจะอยู่กับมันตลอดกลางคืนก็อยู่กับมันกลางวันก็อยู่กับมันกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดอย่างนี้โดยเพาะาคืนนี้สังเกตนะใครที่นอนไม่หลับกแ็แสดงความคิดเล่นงานตลอดผู้ใหม่ที่เพิ่งมานอนแปลกที่แปลกทางหรือว่าบางทีก็ไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม ส, สัตว์สาราเสียงเสียงแปลกๆหรือว่า ทีนอนไม่แข็งเคยนอนที่นอนนุ่มๆไม่ต้องปรับเนื้อปรับตัวแล้อว่าคนที่นอนหลับลองสังเกตนมันนอนสักสี่ห้าจะมองจิตตกผวังพอมันนอนตื่นไม่ลุกคะแนนามันคิดแหลกเลยนะคิดฝันแปลกๆเครื่องหลับเครื่องตื่นบางทีก็ผีอำก็อยู่นี้แหละดูที่ว่าหนคืออะไรมันใชจความคิดที่พาเราทุกข์ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่า บอกเลยว่าไงก็ใช่ความคิดนี่แหละที่เป็นตัวสมไทยเป็นทั่วเรียสัต ส, สีในพุทธศาสนาปิจนารรมมันถูกเฉลยถูกแก้ถ้าเรารู้สึกตัวเป็นกายของเราเป็นทุกขังธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเราอาหารใส่ให้มันาน้ำดื่มให้มันเอาเข้าเอาออก ธาตไฟธานลมเอาใส่ให้มันถ้ามันไม่สมดุลมันก็ป่วยนั่นแหละนะมากไปน้อยไปก็ไม่สบายเราเดชเราอ๋ออันนี้ก็เรียกว่ามหาพุทธลูปนะพูดนะพุทธูปนะใครมีร่างกายแล้วไม่ทุกก็ไม่มีในโลกใบนนะีนะ้ทุกทุกคนเพราะนั้นจะไปแก้ทุกที่กายแนละแก้มัน ใ้มันหายไปแก้ไม่ได้หรอกนะนอกจากผ่อนคลายบรรเทานะค่อยๆเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องกันแล้วกันส่วนจิตนะเวลาไม่คิดเนี่ยก็เรียกว่าทุกอริยสัจสีสที่เรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะเราไม่ต้องรู้มาก่อนล่วงหน้าก็ไดนะ้เพียงแค่ว่าให้ฟังไว้ว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงว่าทุกวันเนี่ยนะขณะที่นั่งอยู่ที่นี่ ไอตัวความคิดถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วเข้าไปปร่งอะแหลมคือตัวทุกคือตัวทุกขอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากการคิดนะี่มันเป็นตัวทุกไอเหตุแห่งทุกคือชอบหลงเผล่เขไปมีอุปทานเข้าไปในความคิดอนยะ่างเงี้ยทะยานอยากเข้าไปในความคิดอนะไรก็เลตันหาอย่างเงี้ยวิ่งเข้าไปไงก็เหนื่อยไม่เชื่อลองลุกขึ้นแล้วก็วิ่งด้ จะวิ่งไปเอาเข้ามาดีใจยังไงก็เหนื่อยสัญญาณชีวิตก็ไวขึ้นลมหายใจก็ยากตัวก็ร้อนอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นจะวิ่งไปผักใสนะ่จะวิ่งไปขับไล่ยังไงก็ทุกยังไงก็เหนื่อยก็เหมือนกันเป็นนาการเป็นปฏิยาเดียวกันนะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบเห็นว่า อ, อตันหาไปอย่างนี้นะ จะวิ่งไปผลักจะวิ่งไปเอาไอ้เนีคือทุกข์ปัญหาอวทานแต่พอเรารู้สึกตัวอะไรตัวนี้หายไปทุกครั้งที่สัมผัสรู้จินจะปกติสัมผัสรู้ที่ฐานกายรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนะึเก็บเหมือนหยอดเงินแสมสินมันหยอดกระตางใส่กระปุกตอนนี้ลองเลยไม่ต้องรอเวลาไหนหรอกนั่งฟังไปลอกเอานิ้วมากระทบเสีย เสียงก็จะไม่ได้มีความหมายสักเท่าไหร่หรอกธรรมชาติของจริงอยู่ที่ตัวเราลส่วนเสียงทิ่มไปกระทบที่หูนี่มันเป็นลองเราก็สามารถที่จะรู้สึกที่หูได้ด้วยเพราะว่าจิตทำงานไวมากเรียกว่าคร่องตัวสะดวกเป็นไวพิปฏิพา น, นถ้าไม่ใช่ฝึกเป็นสมถะมีความเป็นกลางยังไงก็รู้มารู้จริงจอย่างเมื่อวานใครนั่งอยู่นเนี่ยสังเกตได้เลยเวลาเนี่ยฝนตกอย่างหนักเลย มีฟ้าผ่ามีกุฏิพระพอดีพอดีพระออกมาทําวัดกันไปนแล้วตายคากุฏิกันมั่งเลยผ่าอยู่ใกล้นะก็เลยพูดวันนี้ว่าเอออันนี้สองการทําวัดมันเป็นอย่างเงี้ยรอดตายบางปีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะยอมช่วงนี้เรามาทําวัดนีบางทีต้นไม้ล้มใส่กุฏิก็มีรอดตายว่าเราไม่ได้อยู่ในกุฏิเป็นเวลาพร้อมมาพอควร ก็ฟลุกขนาดหนักเมื่อวานเนี่ยฟ้าผ่าดังลั่นเราสามารถเห็นจิตของเรานะที่มันไปทางทวานหูนะชัดเจนมากถ้ามีสติดีๆรู้ตัวดีๆไม่ได้มีความหมายเลยเลยไม่ได้เสียวไม่ได้สะดุง้งไม่ได้วาดผวาอะไรเลยนิ่งเจ้ยมันนิ่งจริงๆนะมันจะหวั่นไหวสักนานไหนกรรมนาฏสักนาดไหนมัน น, น, นิ่ง ไม่ใช่ไม่ได้ยินได้ยินแต่ไม่มีปัญหาอะไรจิตปกติอย่างเงี้ยบางทีบางคนอาจจะเห็นไปแว็บกลับมาได้เลยอย่างเงี้ยแต่บางคนใจเต้นตุบตับ ต, ตุบตับขนลุกสู้ก็ได้นะมันกลัวเลยกลัวตายยันอันนั้นก็ไปไกลเกินไปแต่เราเกินไหวรู้สึกมันตัดได้ไวตัดกรรมตัดพฤติกรรม ของจิตที่เข้าไปเสวย อ, อารมณ์พฤติกรรมของจิตที่ชอบไหลหลงนล้วก็ทำให้ทุกข์วันไหวสะดุง้งหวัดภาวาเสียวกลัวไอ้ตัวนี้คือตัวมัจจุมานยังไนะนงนักแปลทรรมก็ต้องได้เจอแน่นอนเจอมัจจุมานเจอเทวปุตรมานเจอขันตามานเจอสารพัดสารพันละนะเดี๋ยววัหลังก็ค่อยชี้ให้มันคืออะไรบ้างนะมันจะมาให้ทก จะมาให้เราเนี่ยเก่งทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ามีความเข้มแข็งไม่ห่นแอไม่เปละบางแล้วเกิดปัญญาได้ทียมกันนี่แหละก็คือการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นของเราที่เราจะต้องเกิดศรัทธามีความเชื่อว่าเออทำอย่างนี้มันสามารถที่จะพาให้เรานะพ้นทุกข์ได้จริงมีศรัทธาแบบนั้น ทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วทำกรรมฐานเหนือดีเหนือชั่วตรงนี้มันก็จะเกิดความปลอดภัยภัยวัตฏะสงสารที่เกิดขึ้นมาคิดแล้วคิดอิ่มก็ตัดแล้วตัดอีกตัดกรรมเราเคยทำอะไรมาก็ตามผิดผิดถูกๆูกถูกถกผิดผิดหรือว่าผิดแต่ก็ไม่มีใครเราทำผิดตลอดกลาเป็นผู้ร้ายขระดับไหนก็ตามลึกๆจิตของเขาก็ยังดีอยู่อยากเป็นคนดีบรรญัติขเพราะเราก็จึงดีกว่านั้น มีศรัทธาแล้วก็มีสติสัญชาตญาณพอสมควรเราก็โอนมาเป็นสติปัฏฐานเอากลับมาตาในหันกลับมาตาเนื้อเราเห็นกันแต่ว่าตาในไม่เห็นตัวเองขณะนั่งขณะเดินขน็ยืนขณะนอนอย่างเงี้ยอันนี้แหละดูสิว่าเราทุกคนไม่เกี่ยวอารณ์นะอาถรรพนะ ดูที่ว่าพวกเราทุกคนไม่เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายบวชไม่บวชศนะสนาธรรมความเป็นจริงมันจะปรากฏในตัวเราหรือเปล่านะเช่นตอนนี้นั่งนานๆไม่เกี่ยวกับร่างกายผู้หญิงผู้ชายนะมันก็เมื่อยทุกคนนะนั่นแหละปฏิเสธไม่ไดนะ้ไม่ว่าใครมาจากไหนนะตอนนี้อากาศการรับรู้เท่าๆกันเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป หายใจออกขาดอากาศหาออกมามันก็จริงทุกคนทุกคนถ้าไม่มีสติตอนนี้ไม่รู้สึกตัวนั้นก็เผลอคิดไปทุกคนวุ่นวายใจกายอยู่นี่ใจอยู่ไหนไม่รู้อยู่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนอยู่กับสามีภรรยาอันนี้ก็หลงเหมือนๆกันแต่ถ้าเรารู้สึกตัว ตอนนี้นั่งรู้สึกตัวอยู่รู้ว่ามีลมหายใจอยู่รู้ว่าก้นกำลังสัมผัสอยู่รู้ว่าท้องอปองยุบอยู่นะกำลังเคลื่อนไหวสิบสี่ชั่วอายุก็เป็นคนคนเดียวกันดันทีนะมันก็จึงเป็นความสงบเป็นเรื่องของพนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่น้อมกันมาแล้วก็มีในใจเราก็กลายเป็นสันติสุขสันติภาพนะ อยู่หลายคนแต่ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะก็จึงเป็นเรื่องที่น่าชวนกันนะชี้นาแล้วก็พากันทำตั้ต่ตบันนิมต้นไปพยายามเคลื่อนไหวเทคนิคหลวงพ่อเตียนนะพยายามเคลื่อนไหวให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ไนดะ้แล้วก็รู้สัมผัสรู้การกระทบให้เป็นปัจจุบัน ที่กายอย่าห้ามความคิดอยู่ที่นี้ขณะที่เราเคลื่อนให้มันคิดลงไปเพราะว่าคิดมากเท่าไหร่เรากลับมาได้ด่านั้นก็เป็นแต้มของสติเป็นคุณภาพเป็นประสิทธิภาพของสติเพราะนั้นให้มันคิดลงไปเหมือนเราแข็งแรงให้เพื่อนลากเราไปดูแต่เรามีหลักเราเกาะเสาวไว้งันจะลากไปไหมเหมือนกัน ยิ่งวันหลังเรามีกําลังตัวใหญ่แน่จริงก็มาลองปั้มกันดูดูซิว่าใครจะชนะถึงวันนั้นเราก็เผชิญกับความคิดความคิดก็เกิดดับเกิดดับให้เราได้สนุกทําให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นไหมศรัทธาแก่กล้าเห็นจริงเห็นความคิดเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆแต่ว่าเวลาเราทํางานเนีเราไม่ห้ามนะความคิดนี เรามีสติเลึกรู้เอาความคิดมาใช้อันนี้ไม่ต้องสงสัยมีสติเลึกรู้เอาความคิดมาใช้อันนี้จะทำงานได้คล่องตัวแล้วก็เป็นตัวปัญญาเหมาะแก่การงานในที่นี้มีพยาบาลใหม่จำนวนหนึ่งที่เข้ามานอกจากทางโรงพยาบาล่งก่อนที่จะไปทำงานบรรจุเป็นการรายการใหม่ ตัวนี้แหละจะทําให้เราไปทํางานเราเกิดสนันตุสุขใส่สภาพมันไม่เหมือนกับการที่เราเรียนแล้วเราคิดว่าจบมาทํางานแล้วจะดีเลิศประเสริฐสีไม่มีปัญหาใดๆมันคงไม่ใช่หรือว่าทํางานไปแล้วมีเงินมีทรัพย์มีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไม่ทุกอันนี้ก็ไม่จริงเราก็จึงไม่ประมาทกันโจนกันเคลื่อนไหวรู้สึกตัว ท่านั่งเมื่อยเราจะเดินเดินเมื่อยเราจะนั่งหลงที่ก็ยืนก็รู้สึกตัวได้หรือว่ายืนแล้วก็ซอยเท้าอยู่ที่ก็ไดนะ้อันนี้ก็จะเป็นบทเรียนต่อไปที่เราจะค่อยๆบอกแล้วก็ชี้นําพากันฝึกกันหัดต่อไปวนะันนี้ก็เป็นการทักทายนะใครที่ยังไม่มาก็ขอให้มาใครที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขนะแล้วก็ใช้ชีวิตนะ เหมือนกับสุกโตเป็นบ้านของเราทุกคนที่อยู่วันนี้เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนกับที่เขียนไว้ที่สํานักงานอาตมาก็เขียนเอาไว้แต่ว่าใช้คําพูดของหลวงพ่อเขียนแล้วใช้ลายมือของหลวงพ่อเขียนแล้วก๊อปปี้ลงไปที่นั่นเราจิตใจข้างในมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องการให้ทุกคนอยู่กันอย่างแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนแล้วก็ไม่พาไปทางที่เสื่อมเด็ดขาดตรงนี้สําคัญ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราได้ได้โอกาสลนะเราก็จะช่วยโอกาสเนี้ยณนะวันนี้เลยนะพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตของเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้ธรรมะสมควรแก่การปฏิบัตินะก็คงได้ปรากฏนะแล้วก็ได้สัมผัสกับผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแล้วก็ขอให้นะการว่าจิตจของเราการเนี้ยนะ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นจุดที่จะต่อยอดนะให้เราได้เห็นที่สุดแห่งกองทุกนะจนทั้งชีวิตพบกับความสุขเกษมสารกข็ขอให้บังเกิดในวันชาตินี้โดยทัวนาการทุกตันทุกคนทั้นเติน